ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่เดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกทางไว้ให้พ้นให้พ้นจากทุก์เนี่ยค่ะที่ขนาดขนาด เ, เขาพ้นเขาเกิดเป็นคนแล้วอะค่ะเขามาด้วยศีลแล้วแต่แบบว่าเขาก็ยังไปเจอเหมือนกับแบบอย่างนั้นนะคะแบบเศษเขาเขาเรียกว่าเป็นเศษกรรมเป็นเศษกรรมยังยังไม่น่าดูยังไม่น่าอยู่เลยเนี้ยค่ะคือเราเราเห็นแล้วมันก็บอกเราว่า เราก็ยังไม่พ้นถ้าเกิดว่าเรายังไม่ทําดําเนินตามคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ค่ะเราก็มีสิทธิ์ตกตกตกจากตรงตกไปอยู่ตรงนั้นได้เหมือนกันเนี้ยค่ะหรือว่าถ้าถ้าเกิดว่าตกจากตรงนั้นไปอีก ก, ก็ก็ลงอบายไปเลยถ้าลงอบายเนี่ยมันก็ขึ้นยากอะค่ะเพราะว่าอบายเนี่ยเขาสาัตว์สมมติเป็นสัตว์เนี่ยค่ะเขาก็ไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดอันนั้นยิ่งยาวเลยค่ะบางที มันจะลงไปลึกจนแบบกว่าจะเกิดเป็นคนขึ้นมาอีกไงค่ะเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยมันก็ยาวไกลอะค่ะก็คืออันนี้ก็บอกเราว่าหนทางมีอยู่พระพุทธเจ้าบอกไว้หมดแล้วแค่เราตั้งใจแล้วเราสนใจแล้วก็เราใส่ใจแค่นี้ง่ายๆอะไม่ยากเลยค่ ะ, ะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสาธุสาธุแปลว่าอันนี้โยม หมายความว่าประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่ได้ตอนขนาดนี้อย่างเดียวนะโยมเนาะกลับไปที่เมืองไทยแล้วความเข้าใจแบบนี้ทัศนคติมุมมองนี้ใช้ได้ตลอดนั่นเองนะอาซาทุดหน่อยสาทุสาทุสาทุอ้าวอ้าวอ้าได้ได้จัดงั้นโยมส่งไปกันเลยนะให้เลือกคนถัดไปเลยเอาจิเอากติกาเดิมนะโยมนุษนะเดี๋ยวโยมนุษย์พูดเสร็จก็หาคนถัดไปนะหาเหยื่อรายถัดไปกราบแล กาบนมัส ก, การคุณเจ้าค่ะแล้วก็เพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะสิ่งที่ได้จากการสิ่งที่ได้จากการมาสังเวชนียสถานสี่แห่งในครั้งนี้ถือว่ามีประโยชน์ในชีวิตสูงสุดเลยนะคะและสิ่งที่ได้สิ่งแรกก็คือเรื่องของทานทําให้เราเนี่ยรู้จักคําว่าจาคะคือการสละ แล้วมันก็สามารถนำมาตรึกเพื่อให้นำไปสู่การภาวนาได้แล้วก็สิ่งที่พระอาจารย์พร่ำสอนพวกเราซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งไม่เคยเบื่อเลยซึ่งถ้าเป็นเราเองเราพูดครั้งสองครั้งเราก็คงจะเบื่อแล้วอะนะคะแต่ว่าท่านเนี่ยพูดทุกวันพูดจนจะทังมันซึมเข้ามาเมื่อวันที่มาถึงเชตวันนะคะนะคะแล้วก็ รู้สึกว่าจะเข้าเข้าไปอยู่ในกระแสะใจของเราได้คําทุกคําที่พระอาจารย์พูดเนี่ยเราเราจะจดจําไว้ตลอดแล้วก็ใช้ได้ตลอดไปในชีวิตของเราถึงเห็นทุกอย่างก็สามารถน้อมถวายได้รวมทั้งของที่เรารักเราก็สามารถที่จะสละให้คนอื่นได้ซึ่งคิดว่าอันนี้จะเป็นฐานของการที่เราจะทํา การปฏิบัติได้ต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยรู้เลยว่าการไปนั่งหลับตาเนี่ยมันจะได้อะไรขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราเวลาเรานั่งเฉยเราก็ตรึกตลอดเลยว่าสิ่งที่เราทําที่เรามาที่นี่เราได้ทานกุศลอะไรบ้างซึ่งถือว่าเป็นสมบัติที่มีค่ามหาศาลสำหรับชีวิตเลยค่ ะ, อะขอบคุณค่ะสาธุสาธุสาธุได้ ได้ความคิดในแ ง, งม่มุมในทานกุศลนั่นเองนะสำหรับโยมนุษส่งต่อไปใครเอ่ยโยมนุษออกชื่อหน่อยอ๋อยมจิ้งนะยมจิ้งผู้โชคดีรายที่สามอ๋อจะเรียกเฉพาะคนที่หลับนะดังนั้นใครอยากพูดต้องรีบแก้งหลับก่อนนะ ไม่ได้หลับจริงๆเนาะจริงๆอ้าวพอไม่ยอมจริงนำมัสการเจ้าค่ะพอดีว่าจะพักสายตาก่อนพระอาจารย์เทศมันเลยเพลินเจ้าค่ะขอขอพระอาจารย์ทวนคำถามใหม่เจ้าค่ะอ๋อถามว่าอย่างนี้นะถามว่าที่เรามาอินเดียนี่นะ มาบูชาสังเวชนียสถาน4ตําบลเนะหรือสีแห่งตั้งแต่ประสูติตัสรุนะแสดงธรรมจักกับบวชทุนสูตรให้เป็นไปนะตลอดจนที่บริญิพานแล้วยังมีของแถมอีกหลายที่นะเช่นเจ้าคันคือสถูปโดยตลอดจนเชตวันนะปุภารามอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วเราก็ได้ฟังธรรมเยอะแยะมากมายเลยนะปกติเวลาเราฟังอะไรผ่านไปแล้วนะถ้า ไม่ได้เอามาใช้จริงในชีวิตจริงเลยมันก็แค่ดูเหมือนดูหนังเรื่องนึงแล้วก็จบไปเนานะจบไปเออหนังสนุกดีนะแล้วก็จบใช่ไหมประโยชน์เกินน้อยมากเลยก็แค่ทําความบันเทิงเลืองใจให้ใจเราเกิดขึ้นนะเหมือนไปซื้อตัวหนังเลยตัวหนังนี้ก็แพงหน่อยหลายหมื่นบาทแตอนน่อันนี้เลยถามเพื่อจะให้ตอบว่าการที่เราได้มาครั้งนี้นะนะได้เข้าออห้องโรงหนังครั้งเนี้ยนะ ประโยชน์อะไรที่เราจะเอากลับไปใช้ได้จริงๆประโยชน์อะไรที่เราเห็นเป็นประโยชน์ที่จะเอามาใช้ในชีวิตจริงของเราไม่ใช่อยู่แต่ที่นี้เท่านั้นหมายความว่าเราได้ไปหรือมุมมองเนี้ยเราได้แล้วหรืออาจจะคิดขณะนี้ก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าเราได้แล้วจะเอาไปใช้จริงๆแล้วหลังจากจบงานนี้ไปหรือขณะที่พูดหลังจากพูดครั้งนี้ปลายปุ๊บเราก็จะได้ทัศนคติได้มุมมอง อย่างนี้ไปใช้ในชีวิตของเราจริงๆไม่ใช่จบงานแล้วก็จบไปอย่างนั้นนั่นเองนะประโยชน์สรุปก็คือประโยชน์นั่นเองนะประโยชน์ในการมาครั้งนี้ของเราเราได้ประโยชน์อะไรหนาเราได้ประโยชน์อะไรที่จะไปใช้ได้จริงในชีวิตจริงนั่นเองคำถามยาวหน่อยเนาะคำถามยาวยาวแล้วก็ยากด้วยจ้ะคะ <laughs> นั่งถามใหม่นะถามมาอีกทีนะได้ได้ได้ค่ะเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วนะค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะคะค่ะได้ยินจริงไหมคะได้ยินได้ยินข้างหลังได้ยินไหมเอ่ยข้างหลังได้ยินเสียงโยมจริงไหมข้างหลังไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะอะลองลองพูดใหม่ลองพูดใหม่ใช่สวัสดีค่ะข้างหลังได้ยินเอ่ย ได้ยินแล้วน ะ, ะ, ะใช่ได้ค่ะกราบสวัสดีครั้งนะคะค่ะจิงที่จริงมาครั้งนี้นะคะก็มามาด้วยมีข้อมูลน้อยพูดที่มีข้อมูลน้อยค่ะแล้วก็มาได้มีโอกาสฟังธรรมศึกษาธรรมจากจากประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะแล้วก็แล้วก็ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องจากจากทางผ้ า, าจานนะคะผ า, าจา์ทุกท่านก็พยายามที่จะให้ข้อมูลซ้าไปส้ำ ม, มาด้วยเรื่องได้เรื่องที่ที่ทำให้เราเพิ่มความศรัทธา น, นะคะแล้วก็ให้รู้จักปฏิบัติที่ถูกต้องเริ่มจากบา ร, รมีนะคะให้รู้จกักการบำเพ็ญบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าที่กว่าจะได้ ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันนะคะแล้วก็ทำให้เราได้ได้ทราบซึ้งในพระธรรมคำสอนของของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็เพิ่มค่อยๆเพิ่มความศรัทธาเข้ามาเรื่อยๆนะคะเข้ามาเข้ามาในกำมลสนดานของเรา <laughs> <c oughs> นะคะแล้วก็ทำให้เรามีการขัดเกลา จิตใจของเราให้อ่อนน้อมมากขึ้นอ่อนโยนมากขึ้นแล้วก็ความเมตตาก็มีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ขัดเกลาไปเรื่อยๆจากการที่ที่เราก็คิดว่าเราเคยมีมีการให้ทานอย่างนี้ค่ะทานเริ่มจากการฝึกการให้ทานแรกๆเราก็คิดว่าเราก็มีการให้ทานอยู่แล้วแต่พอมา ได้พบได้เห็นได้ฟังเรื่อยๆก็ยิ่งทําให้เราเพิ่ม <m> เพิ่มบารมี <m> เพิ่มการฝึกฝ <m> ึกบารมีตรงนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยค่ะแล้วก็คิดว่าสิ่งนี้เรื่องของทานก็เป็นสิ่งที่เราก็ได้ได้รับรู้ในตรงนี้แล้วก็พยายามที่จะฝึกให้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของทานบารมีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องของทานบารมีก็ สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเรื่องของศีลด้วยค่ะที่พระอาจารย์ที่พระอาจารย์พยายามจะปลูกให้ให้เรามีมีการฝึกบา ร, รมีเรื่องทานเนี่ยก็กะว่าจะทําไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็จะมีผลต่อเรื่องของศีนบา ร, รมีของเราเหมือนกั น, นะคะก็คิดว่าสิ่งนี้เรื่องของทานเรื่องของศีลที่ที่เราพยายามขัดเกลาตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ ก็ยังส่งผลไปถึงเรื่องของการภาวนาของเราใช่ไหมคะที่ที่ทุกอย่างทุกครั้งที่ทําก็ให้มีสติรละลึกระลึกถึงเรื่อยๆนะคะว่าเราว่าเราได้เดี๋ยวขอโทษ น, นะคะก็เราก็จะพยายามที่จะฝึกการให้ทานแล้วก็รักษาศีลนะคะแล้วก็ระลึกถึง แล้วก็ตรึกนะคะในในทุกทุครั้งฝึกการตรึกฝึกการใคร่ายครวนนะคะให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ว่าเราจะเห็นอะไรก็ให้เรามีสติระลึกระลึกตามตลอดนะคะว่าว่าว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยก็คือเรามีเรามีเวลาเหลืออยู่ไม่มากนะคะนั้นเมื่อไหร่ที่เราทําอะไรก็ตามคือเราอยู่ในโลกในโลกวัตถุนะคะที่มันก็จะมีอนุณอันนี้เข้ามา ตัวเองก็คิดว่าเราก็พยายามที่จะตึกให้ได้มากที่สุดนะคะคือเมื่อไหร่ที่นึกขึ้นได้ก็พยายามที่จะทำให้ให้ได้ตลอดทุกครั้งที่นึกถึงได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือคิดว่าสิ่งที่สิ่งที่จะติดเราไปก็คือว่าเรื่องของการให้ทานแน่ๆนะคะก็คือพยายามที่จะเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจากจากตอนนี้เราก็คิดว่าเรายังหยาบอยู่ค่ะก็ค่อยๆทำให้ละเอียดละเอียดละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ แล้วก็นะคะแล้วก็พยายามจะรักษาศีลให้ได้ไม่ขาดตกบกพร่องนะคะแล้วก็พยายามที่จะมีภาวนานะคะก็ละเลิกมีการตรึกในในตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นเป็นสิ่งแรกที่อยู่ในในจิตใจในกำมลสนันของเราตลอดเวลาพยายามพยายามจะทาให้ได้อย่างนี้ตลอดเจ้าค่ ะ, ะแค่นี้เจ้าค่ะ สาธุสาธุสาธุก็ที่จากคำถามคำถามว่าได้ประโยชน์ไราจาร ก, การมาครั้งนี้เนาะโยมจิ้งก็บอกว่าจะได้ไปกลับไปก็ทานกุศลก็จะพัฒนาขึ้นศีลกุศลก็จะเป็นไปได้มากขึ้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือได้พระเจ้าเป็นประธานในชีวิตด้วยเนาะคนถัดไปใครเอ่ยโยมจิ้งเอาใครก็เป็นผู้ที่มีพระคุณในชีวิตนะคะพระอาจารย์รัดาเจ้าค่ะอ๋ออาจารย์รัดานะ ไม่ได้หลับนะเจ้าค่ะพอไม่ได้หลับเนาะก็ต้องนมัสการพระคุณเจ้าทุกท่านเจ้าค่ะมาครั้งนี้ก็สมกับที่อธิษฐานทุกวันทุกวันค่ะก่อนจะมานี่กลัวมากว่าจะไม่ได้มาก็สิ่งที่ได้สมใจแม้จะไม่ได้มากอย่างที่ที่ฝันไว้ก็จริงแต่ว่าก็ได้แล้วค่ะคือเรื่องของตถาคตโพธิสัต t า ที่ที่ได้เกิดขึ้นเป็นระยะระยะทุกจุดที่ที่ผู้อาจารย์สอนนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือได้เข้าใจเรื่องของการเจริญสติที่เป็นทั้งอดีตปัจจุบันที่ท่านอาจารย์พร่ำสอนอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยนะะก็เขเข้าใจว่าเป็นอย่างไรนะคะอีกประเด็น ม, มีมีหลายประเด็นมากค่ะที่แน่ๆก็คือ อย่างที่ท่านยงเคยได้สอนเรื่องของการเรื่องทานเรื่องของการเสียสละกับการแบ่งปันนี่ก็เห็นชัดเจนเข้าใจชัดเจนเจ้าค่ะขอขอบพระคุณที่ท่านให้ใส่บาตรทุกวันแล้วก็เรื่องของความตรนีเรื่องของธรรมทานเพราะว่าต้องทํางานทางด้านนี้อยู่เหมือนกันก็จะรู้ว่าจะต้องระมัดระวังความถูกต้องในในเรื่องของพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็เรื่องของการตรึกนี่พระอาจารย์ทุก ทุกท่านก็ได้สอนน ะ, ะก็เข้าใจชัดเจนขึ้นแล้วก็เรื่องของกฎแห่งกรรมที่เวลาที่เราเห็นอะไรจะมองอย่างไรนะคะสิ่งสำคัญมากๆคือพระมหากรุณาธิคุณของพระสมมาสัมพุทธเ จ, เจ้าซึ่งก็อ่านก็ฟังก็อะไรหลายอย่างดูเหมือนจะเข้าใจแต่ว่ามาที่นี่ก็จะชัดเจนมากขึ้นก็กลับไปก็คงจะได้ได้ตรึกได้มากขึ้นแล้วก็ ได้สัญญากับตัวเองเรื่องของการฟังธรรมศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมการสังวรละว่างกายวาจาใจเจ้าค่ะเรื่องของอินทร์สังวรจารีศีลก็ชัดเจนมากขึ้นเจ้าค่ะความอ่อนโยนกายวาจาใจก็ชัดเจนมากขึ้นก็จะก็สัญญากับตัวเองว่าว่าจะไปปฏิบัติต่อไปให้ให้มากขึ้นเพราะว่าพระอาจารย์ก็เตือนเรื่องของเวลาที่เหลือน้อยลงแล้วค่ะ ก็ขอบพระคุณที่จริงมีมากกว่านี้นะคะแบ่งปันให้คนอื่นบ้างค่ะขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์สาธุสาธุสาธุก็โยมโยมละดาเราได้เยอะเนาะไดเต็มที่เลยอ่า เ, เดี๋ยวมีใครหลับคุณบุญใจยอ่อออาอคุณบุญชัยนะไม่ไม่เชิงหลับเคนเฉย เ, เฉยเคนเฉยเฉยนะฮัลโหล กล่าวนวัตกา ร, กรท่านอาจารย์ทุกท่านและญาติญ <c oughs> าติธรรมทุกท่านด้วยครับผมครับกันมาครั้งนี้นะฮะก็พูดง่ายๆก็คือว่าผมก็ไม่มีข้อมูลเยอะเท่าไหร่นะฮะก็มาครั้งนี้ก็คือ1ผมได้มีศรัทธาเพิ่มขึ้น2ผมก็ได้รู้วิธีการปฏิบัติที่จะทำอย่างไงนะฮะซึ่งปกติแล้วผมไม่ค่อย ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้เท่าไหร่ 3. ผมกลับไปประเทศไทยผมคิดว่าผมจะดำเนินการของชีวิตขั้นต่อไปและการฟังธรรมให้มากขึ้นและเห็นคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตครับผมขอบพระคุณครับ ครับก็ก็สาธุนะครับทุกท่านนะครับน้ำมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคือที่ว่าได้อะไรจากทริปนี้นะครับในแง่ที่ผ่านมา10กว่าวันนะครับที่ที่ได้เลยมีมีอยู่2อย่างนะครับก็คืออย่างแรกนะครับได้ทบทวนตัวเองนะครับในเรื่องที่ว่า เราเคยปฏิบัติมากับต่อในในแง่ความคิดแล้วก็มุมมองที่ที่มีต่อพระศาสดาแล้วก็พระธรรมพระสงฆ์นะครับหลังจากที่ได้ข้อมูลจากพระอาจารย์ทุกๆรูปนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับความเสียสละของพระพุทธเจ้าแล้วก็สาวกทุกคนที่ได้ ทุกท่านที่ได้บําเพ็ญเพียรปฏิบัติมาก็รู้สึกว่าได้ทบทวนตัวเองว่าเราเองก็มองในแง่ที่ว่าไม่ได้ศรัทธาเท่าที่ควรครับก็รู้สึกว่าต้องพัฒนาตัวครับในเรื่องที่2ก็คื อ, อที่ว่านําไปใช้ได้อย่างไรอีกอย่างก็คือว่าได้นําไปเป็นแบบอย่างนะครับในแง่ของการเสียสละแล้วก็การที่ว่า ในการไม่ยึดติดอะไรเกินควรนะครับพร้อมที่จะละทิ้งในสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เรายึดติดกับมันนะครับก็ถือว่าเป็นอย่างที่ได้จริงๆก็คือตอนที่ไปที่พุทธคยาครับที่ฟังเรื่องเกี่ยวกับการตัดสลัวครับการออกบวชครับการตัดสินใจออกบวชแล้วการที่ว่าละทิ้ง สมบัตินอกกายครับวก็เรื่องเรื่องที่ว่าการเสียสละต่างๆครับแม้กระทั่งการพบกับคนที่ไม่ไม่ได้ชอบมากอะไรอย่างนี้ครับอย่างปัญจวัคคีย์ที่มองมองในแง่ไม่ดีแล้วก็ทรงเข้าไปโปรดนะครับก็ก็ทำให้เราเรามองในเร า, ามองคนอื่นในแง่ว่าเราต้องมีเมตตาเหมือนเหมือนเหมือนอย่างนั้นบ้างครับเพราะว่าเป็น เป็นบารมีที่พระพุทธเจ้าท่านท่านทำไว้มากเลย30 30าอย่างนะครับล้วก็ดึงมาใช้ได้บางส่วนครับก็เท่านี้่ครับอ่าสาธุสาธุนะยมจรของเราก็ได้รู้ว่าควรจะกลับไปก็คือต้องพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆเนาะและอย่างที่สองก็คือได้มุมมอ ง, องการไม่ยึดติดอ่า ก็ขัดจังหวะขั้นจังหวะด้วยจังหวะดีๆนะว่าใครหนออยากเข้าห้องน้าเข้าห้องน้ำกันไม่เอ่ยเพราเดี๋ยวจะยาวนะเดี๋ยวให้โยมตายเปคนพูดแลื่อห้องน้าดีกว่าออได้ๆมีห้องน้ำนีเดี๋ยวไปสำรวจให้ก่อนเพราะว่า่เพราะว่าถ้ามันจะยาวไปแล้วเนี่ยเือกใครเข้าด้เข้าสะดวกก่อนีเดียวเลยเราไม่ตรงนี้มีปมีห้องน้แล้วกเป็นงน้ำเหมดแล้วปัญหาจะเข้าจะแบเาะว่ามีคนท้องเสียด้วย ใเข้าห้องน้ำจะให้เียบร้อยก่อนเดี๋ยวโ ย, ยมต่ายเขาจะลงไปดูห้องน้ำก่อนนะตรงนี้มันมีเพราะว่าผมจาได้พระอาจารย์วนไปใช่ไหมครับอาจารย์ใช้อา่างน้ำปั๊มนี้เติมน้มันปั๊มใหญ่เดี๋ยวโยมต่ายเขาจะลงไปดูห้องน้าให้เราก่อนนะว่าพร้อมพร้อมซ้าพรอมใช้งานไหมน ะ, ะเดี๋ยวเราจะได้เข้าห้องน้ากันนะก็เมื่อกี้ ยมจรของเราก็บอกว่าต้งองข้อแรกคือได้รู้ว่าเราต้องพัฒนาความคิดของเราขึ้นนะอย่างที่สองก็ได้ว่าจะไม่ยึดติดอะไรและอย่างที่สามคืออะไรนะได้มีความควรจะมีทัศนคติในเรื่องกรุณาเมนตาเนาะในสามเรื่องนี้นั่นเองซึ่งเดี๋ยวจรเดี๋ยวคนถัดไปเอาใครดีเอ่ยคุณแม่ท่านหยงกับคุณแม่น้องจรขอบคุณค่ะก็อสองคนเลยนะ ได้ไ ด, ไดแต่เดี๋ยวหลังจากพักกันก่อนนะเดี๋ยวหลังจากพักมาก่อนนะเดี๋ย ว, หยวให้ลงมาเข้าห้องน้ําก่อนนะสองคนเตรียมตัวเลยนะไปวิชุดกันว่าใครจะได้ก่อ น, น อ, อ, อ๋อตามอายุนะใครแก่กว่าคนนั้นได้นะโยมมงคลบอกถ้าต้องไม่คุยกันเองนะผู้หญิงเรื่องเรื่องความแก่เนี่ยเขาไม่ชอบกันน ะ, <Okay. S 1> ะเดินลงถ้าขึ้นจากการมองเห็นสั่ง เกลันะกบมาที่คําถามเดิมของเรานะโยมนะว่าเมื่อกี้ถามยาวๆไปแล้วนะคราวนี้จะถามาสั้นๆบ้างแล้วนะคือคําถามเดิมนั่นแหละนะว่ามาครั้งนี้เราได้ประโยชน์อะไรที่จะไปใช้ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงของเรานั่นเองนะใช้ชีวิตเป็นเป็นไปในชีวิตจริงของเราประโยชน์ที่ได้นะประโยชน์ที่ได้นะถามซ้ำอีกทีหนึ่งนะการมาที่นี่สิวันของเรา ที่ผ่านมา11วันเนี่ยประโยชน์อะไรที่เราได้จากการมาครั้งนี้และจะไปใช้ในชีวิตจริงของเราต่อไปนั่นเองนะอ้าวเมื่อกี้เมื่อกี้จนจนเลือกใครนะจ อ, อ้าเ ว, ด เ, ดวเลือกเลือกใครเอ่ยอ้าวอาคุณแม่ผ้าจา์ครับอ่างั้นส่งมาเลย นึกว่าเลือกสองคนพร้อมกัน น, นะนะขอบคุณค่ะอ้าวเชิญโยมวังสิรินามสกุลอะไรก็ไม่รู้อาจารย์อาจารย์มีชายขอบคุณค่ะอ้าวประโยชน์ที่ได้อะไรเอ่ยมาสิวันนอกจากความปลื้มใจกบดีใจแล้วได้ประโยชน์อะไรอีกไม่ได้ยินเลย ฮัลโ <c oughs> หลโหโหลนึ่งสองได้ยินละ อ, อ้าวไม่ติดปากเหรอเออก็รู้สึกว่ากลับไปเนี่ยคงต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะ่ะการปรับตัวการดูชาการศักระที่เออมาเคยพูดว่าข้าพาเจ้าเป็นทาส ข, ของพระพุทธเจ้าก็ ยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ตอนมาที่นี่แล้วอาจารย์สมทบได้สอนได้แค่ให้ฟังนี่ก็คิดว่ากลับไปต้องไปปรับตัวใหม่แล้วล่ะค่ะปรับตัวอย่างไรเอ่ยก็เช่นเราเป็ น, เ ร, เ, ปนเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราจะสักการะบูชาพระพุทธเจ้าอย่างไงนะคะไม่ใช่ว่าการมีผลไ ม, ามา้มีอะไรตายมีอะไร ก็คิดว่าต้องทําอย่างที่อาจารย์สอนนะคะว่าต้องรู้จักอาติบูชาแล้วก็มาพูดไม่ถูกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มาว่าเออเราขอขอถวายการสักการบูชานี้ยังไงยังไงอะไรอย่างนี้ก็คงต้องปรับใหม่ะคํะทใหม่เพราะว่าได้รู้จักและเข้าใจอะไรดีขึ้นเยอะอาจารย์มีชายเทศมานานนาน อาจารย์มีชัยบอกว่าอาตมานะาเท่คนอื่นนะฟังกันเข้าใจทำไมยมแม่ตัวเองเทยาก้าลอเกินอ้าวมิพาเทระองค์นี้ท่านถามว่าฝากถามมานะว่าไม่ใช่อาตมาถามนะค่ะทนะ่า น, นถามว่ากลับไปยังจะไหว้เจ้าอีกไหมคิดว่านะเราได้เป็นบริษัทพระพุทธเจ้าแล้วนะคะ ก็คงต้องคิดดูว่าเราจะต้องปฏิบัติยังไงแล้วอะค่ะให้สมควรและถูกต้องกับการที่เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็อาจารย์สมทบก็สอนว่าเราก็ทำบุญทำกุศลแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้เขาก็าคิดว่าคงต้องอย่างนี้แล้วอะค่ะพอประมาณนะคะได้ไหมครอย่างนีค้คำตอบทุกคำตอบในขณะนี้ไม่มีผิดกับถูกนะไม่มีผิดกับถูก ถ้าจะบอกมีผิดกับถูกก็มีคำตอบเดียวคือถูกเสมอเพราะตอบจากความเข้าใจของแต่ละคนนั่นเองน ะ, ะนะอ่าคนทอปนะโยมที่ภาวดีเมื่อกี้เลือกไปสองคนเนื้อจอนเนาะใช่ไหมเลือกไปสองคนใช่ไหมอ่ะส่งไม่หน่อยน้ำมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่าะได้ มาครั้งนี้ก็ได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นในหลายด้านแล้วก็สิ่งที่ประทับใจก็มีมากมายทุกๆวั น, วนเจ้าค่ะยังไงดีตอบยาวได้ไม่ว่ากันโยอ๋อหรอคะสมาก็จะขโมยความความรู้ของโยเหมือนกันโยม คำถามเนี่ยจะเป็นประโยชน์แกตมาเหมือนกันคำคำตอบของโยมทุกคนนะนะจะเป็นประโยชน์แกตมายัางั้นตอบ อ, อันที่เป็นไฮไลท์ของตัวเองก็แล้วกันนะเจ้าขาก็คือจะเก็บเอาความรู้สึกโสมนัสในยามที่นั่งอยู่บน ได้ไปกราบนมัสการกราบบูชาที่กุฏิขันทากุฏีก็มีความรู้สึกสงบเบาพระอาจารย์สมทบบอกว่าน่าจะเป็นลักษณะสมนัตก็จะเก็บความรู้สึกนี้กลับไปเก็บไว้ทุกๆวันแล้วก็ จะเจริญจิตกุศลจเจริญจิตสมมะนะเจริญธรรมจเจริญสติกลับไปจนถึงประเทศไทยและตลอดไปเจ้าค่าอะอสาธุสาธุโยมโยมที่ภาวดีบอกว่าจะเก็บเอาความรู้สึกดีๆนะแล้วไปเก็บใส่ทีไปถึงเมืองไทยก็จะเปิดมาใช้บ่อยๆใช่ไหมมันจะเก็บเก็บลืมเนาะ งั้นเลือกคนถัดไปจ้าเลือกคนถัดไป okay, เ, อเอาใครเอ่ยเอาออกไม่หน่อยก okay. ะมามาครั้งนี้ก็รู้สึกว่าก็ได้ความรู้ไปหลายหลอย่างคือว่าถ้าเราจะทำทานทำอะไรก็รู้สึกว่ามันเข้าใจมากกว่าเก่า ของเก่ารู้น้อยมาครั้งนี้ก็รู้สึกว่าว่ามีความรู้มากไปอีกหน่อยนะได้ยินจะเสียงตัวอยู่ไหนเนี่ยยกมือหน่อยโยมฮาริอไม่ดังเลยโอ้ยไมดังอ่ะพูดดังแต่ไม่เห็นหน้าโยากมก็ดังแล้วค่ะดังแล้วค่ะดังแล้วนะโอเคอ่ะอ้าต่อฮะก็บอกว่ามาครั้งนี้ก็ดีค่ะรู้สึกว่ามีความรู้มากกว่าเก่าคือว่าเก่าเราจะทําบุญอะไรก็ก็รู้พอสมควรค่ะ แต่มาครั้งนี้ก็รู้สึกว่ารู้รู้ดีรู้มากไปอีกดีกว่าเก่าอ๋อรู้มากรู้ดีกว่าเก่าก็เข้าใจหลายๆอย่างค่ะอ๋อเข้าใจเข้าใจศรัทธาทานแล้วนะโยมารีนะค่ะเข้าใจสักการทานเคารพในทานแล้วนะอ่าเข้าใจเรื่องการละทานแล้วนะการละทานก็ของเก่าก็ก็รู้บ้างค่ะแต่ยังไม่มากแต่มาครั้งนี้ก็รู้สึกว่าก็รู้รู้มากมากไปอีกหน่อยอ๋อแล้วก็อะไรนะ มีที่มาสมแล้วอีกสองอย่างอะไรนะอ้าวเอาลืมซะแล้วห้าอย่างอะไรทานห้าอย่างไหมห้าอย่างก็ให้ได้ให้ได้ความเคารพเอาหนึ่งมเอาหนให้ได้ความศรัทธาให้ได้ความเคารพสมให้แล้วขาดเลยเดี๋ยวเดั้นสีนัสีเดี๋ยวให้ตามการเออให้ตามการสีแล้วก็ให้แล้วขาดเลยอ้า แล้วอะไรลืมลืมค่ะให้เราลืมเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่มีอันเนี้ยให้เราลืมเลยไม่มีไม่มี <c oughs> ให้ไม่กระทบตนกระทบคนอื่นอ๋ออ๋ อ, อเรื่องกระทบกระเทือนนี่มันถึงจะให้หรือไม่ให้ก็ไม่ไม่เคยคิดก่ะอ๋อไม่เคยคิดแต่ชัดขึ้นแล้วนะอ่าชัดขึ้นนะแต่ว่ากลับไปนี้ทานกุศลของโยมารีจะเข้มแข็งมากขึ้นใช่ไหม จะเป็นไปกับองค์ห้าของสับปูลิสถานมากขึ้นนั่น <5. S 1> เองนะอ่าสาธุสาธุสาธุ <5. S 1> เอาใครต่อโยอมารีเลือกใครดีเอาใครดีว่าเดี๋ยวถ้าเราอะไรท่านถามอะไรคะจะเลือกใครให้เป็นคนแสดงความเห็นบอกว่าประโยชน์ที่ได้จากการมาครั้งนี้คนถัดไปเอาใครดีอ๋อคนต่อไป ก็ไม่สาบคุณต่อไปให้คุณนี้ก็ได้ <laughs> ไม่รู้จักชื่อเอาถามชื่อค้นสิอาจารย์ชุวิไลคะอาจารย์วยาารยุวิไลนามสการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดี ก, กัลยาณมิตรทุกท่านนะคะดิฉันก็มาอย่างคนมีข้อมูลน้อยเหมือนกัน <laughs> สิ่งที่ได้ก็คือได้เห็นว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยเพราะว่ากว่าพระพุทธเจ้าท่านจะมาเทศเทพบมาโปรดเรานั้นท่านสั่งสมบารมีมามากและไม่มีอะไรมาได้มาด้วยความบังเอิญจะต้องจะต้องทําขึ้นมาแล้วก็พุทธศาสนาเป็นเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยทั้งสิน้นไม่ได้เกิดบังเอิญเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็ ทำให้รู้จักเรื่องของการให้ทานแล้วก็ทานเกี่ยวข้องกับศีลอย่างไรมากขึ้นให้รู้เรื่องของอมิสบูชาแล้วก็ธรรมบูชาซึ่งจะไปใช้ได้นะคะขอบคุณค่ะจบแล้วหรือยงจบแล้วค่ะสาธุสาธุแปลว่าสิ่งเหล่านี้จะไปใช้ได้หลังจากกับจันนี้ไปเนาะจ้ามูธนานะเอาเลือกใครคนไปคนถัดไปดีใครเอ่ยใครเอ่ยใครคือผู้โชคดีถัดไป ก็กราบนมัสการพระอาจารย์ทุกท่านค่ะก็ <c oughs> ก็จริงๆแล้วมาที่นี่ก็แบบอย่างที่พระอาจารย์บอกนะว่าแบบเราประมาทในตัวเองมาตลอดเลยค่ะเพราะว่าเรื่องศีลอะไรอย่างี้ปกติแล้วจะไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่เมื่ออยู่ที่บ้านอะไรอย่างี้ค่พะพอมาที่นี่เข้าใจแล้วว่า การที่เรามีศีลในตัวเนี่เมื่อเราไปที่พบพรมอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบส่งผลมากขนาดไหนอ่ะแล้วก็การให้ทานแล้วก็การให้ทานที่แบบเราตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วเวลาจะให้อะไรส่วนมากจะไม่ค่อยได้คิดอะไรเพราะว่าเราไม่ได้รู้ว่า การกำหนดหรือว่าการแบบระลึกอะไรงนี้ไม่ค่อยจะได้เข้าใจเท่าไหร่ต่อไปกลับไปเนี่ยก็กล่าวว่าจะดูแลเรื่องศีลแล้วก็สมาธิปกติแล้วศีลนี่พูดถึงว่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านนี่ศีลส่ว น, นมากมันจะไม่ค่อยได้ดูแลสักเท่าไหร่กลับไปนี่จะพัฒนาขึ้นแล้วก็ตั้งใจว่าจะแบบจะบอก คนรอบข้างค่ะว่าคือก็จะบอกกับพี่น้องอะไรอเงี้ยค่ะช่วยกันแบบรักษาศีลอะไรอ่าสาธุสาธุสาธุกพว่าได้เยอะจริงๆนะเพราะปกติไม่ค่อยพูดน้อยนะโยม <c oughs> วันนี้พูดเยอะได้เพราะว่าได้เยอะจริงๆอ่ะโยมพูดเอาใครถัดไปเอ่ยมเมชีเจ้าคนะ่ะเมชีนะอ่า วันนี้ก็เก็บเจ็บคอเพราะเป็นบาดเจ้าค่ะเอ่อน้ำมาสการเจ้าค่ะพระอาจารย์อ๋อแล้วข้ไปาก่อนโอชี้แป๊บดียวไม่ชี้หาลืมไปไม่ให้เกียดคนนี้ไม่ได้นะคะ้วก็จะถราแล้ค่ะเออนมาสการพระคุณเจ้าค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนทุกพี่ๆแล้วเออทุกคนนะคะก็คือ ก็ที่ที่ได้ก็คือที่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนก็ตอบไปเยอะแล้วะแต่ว่าที่จะได้อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องสติอะค่ะว่าตอนนี้เนี่ย เ, เรากำลังทำอะไรอยู่เราก็จะได้สติตรงนั้นว่าตอนนี้อย่างเช่นเมื่อเช้านี้เราไปถวายที่คันกคูดีเราก็ต้องตั้งสติให้มั่นว่าตอนนี้เราได้ บูชาพระพุทธเจ้าแล้วต้องตั้งใจทำให้ตั้งสติให้มั่นว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ฝึกว่าอย่าให้จิตใจเนี่ยเฉยใช้ไปทางอื่นก็คือถ้าใช้ในชีวิตประจาวันก็คือทุกทุกอย่างที่เราทำก็คือต้องตั้งสติให้มันออ่นคงะะก็จะใช้ในชีวิตประจำวันได้ตรงนี้ แต่แบบเมื่อกี้ที่พูดหมายความว่าของคนอื่นก็เอาหมดด้วยใช่ไหมอะไรที่เขาตอบมาทั้งหมดเนี่ยโยมก็เอาด้วยใช่ไหมได้นี่เพิ่มเข้ามาเฉยๆใช่ไหมเพราะว่าถ้าพูดอีกก็จะซ้ำอะ่ะอ๋อพูดอีกก็จะซ้ํานะก็เลยเพิ่มประเด็นมาว่าได้ประโยชน์มากมากเพิ่มอีกหนึ่งข้อแต่ที่เขาพูดทั้งหมดก็เอาด้วยนะก็คือว่าทําอะไรก็ก็จะทําทีระอย่างได้แล้วก็มุ่งมั่นนะมีสมาธิ และที่เมื่อกี้ใช้คำว่าไม่เฉยเฉยไปเรื่องอื่นนั่นเองนะอ่าวนัมธนานะสาธุสาธุสาธุอ้าวมันกลับมาที่แม่ชีทวินนั่นเองนะอะโหลขอนามสการพระคุณเจ้าค่ะและขอน้อมน้อมพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าพูดถึงพร้อมโดยวิชาและเจรณะที่มาครั้งนี้ก็ได้เยอะค่ะ ได้หลายอย่างโดยเฉพาะพร ะ, พระอาจารย์ก็แสดงธรรมแสดงธรรมคาสอนของพระสามาสมพุทธเจ้าได้ละเอียดลึกซึ้งมากค่ะเพราะแสดงธรรมได้ละเอียดมากทุกทุกคนจะได้นำไปใช้นําเอาไปใช้ได้ถูกต้องแล้วก็เรื่องทานเรื่องทาน กุศลเรื่องศีลกุศลก็คือละเอียดทุกเรื่องค่ะพร้อมที่จะนําไปใช้ประจําวันได้ทุกวันทุกเวลาค่ะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็เราก็ใค่ควรถึงศีลกุศลทางกุศลของเราก็คือพร้อมทุกคนจะได้นําไปใช้ได้ได้อย่างง่ายง่ายค่ะเพราะว่าแสดงละเอียดแล้วเนี้ยก็นําไปใช้ได้ง่ายขึ้น วันนี้ของพูดไม่มากเพราะว่าเจ็บคอมากเพราะไอ้บาดเป็นบาดเมื่อ ว, วานเนี้ยค่ะอล้วก็คงมีเท่านี้แหละค่ ะ, ะสาธุสาธุนะก็แม่ชีก็ได้ได้ว่าความเข้าใจในทานกสิณมากขึ้นนะจาก11วันนี้นั่นเองนะและได้เพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็คือได้เจ็บคอไปด้วยนะอะคนตัดปลายเลือกใครเหรอแม่ชีอยมสินิพนธ์นะ กราบนมสกให้คุณประยูอ๋อให้ยมประยูนก่อนเนาะนั่งติดกันกราบนมสการแลคุณเจ้าทุกรูปคะ่ะคือการมาครั้งนี้ของยุนนะคะทำมายุนจะพื้นฐานของยุนจะน้อยนิดมากะคะ่ะรู้แต่ว่าชาวพุทธเขาทำอะไรคือที่ต่างจังหวัดก็ประมาณว่าทุกเช้าต้องไปใส่บาตรใช่ไหมคะ แล้วก็วันพระหรือวันสําคัญอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะรู้พื้นฐานเพียงเท่านี้นะคะพอได้มาครั้งนี้ว่าธรรมะไปยังไงเป็นยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงอะไรนี้ก็พอจะทราบบ้างค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้พระอาจารย์ได้ชี้แนะหลายเรื่องค่ะว่าศีลห้าเป็นยังไงศีลแปดเป็นยังไงอะไรนี้ก็ พอจะรู้ประมาณคร่าวๆไว้แล้วอะค่ะก็ต่อไปก็คงจะกลับไปจะได้ใช้อะไรได้บ้างเลยใช่คิดว่าสินห้าจะถือแน่นอนนะะค่ะะคะแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ยุ่นไม่สบายแล้วก็ที่ถามทุก เวลาที่เจอกันนะคะขอขอบคุณทุกทุกท่านอาจารย์ทุกทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสาธุสาธุสาธุอ่ะไม่ทันเลยน้าคนทันไปเลยนะกราบในวิสาการนะคะเอ่อ สิ่งหนึ่งที่โยมจะได้ไปนะคะก็คือว่าตั้งใจว่ากลับไปก็จะรักษาศีลเก้า